ที่คุณที่ถวายหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ให้พระใส่กระเป๋าผ้าส่วนหนึ่งแล้วก็กระเป๋านั้นก็แจกพระทุกองค์ล่ะแต่กระนังทางในครัวด้วยในครัวก็คนล้วกระเป๋ากระเป๋าทางฝ่ายพระในคนแล้วกระเป๋าแต่สงสัยจะไม่มีเครื่องฟังท่านน่ะแต่หลวงพ่อก็เคยนะเคยเคยซื้อเครื่องฟังแจกพระ แจกเครื่องเล็กๆพอแจกเสร็จแล้วก็ถามวอาไปไหนนู่นส่งไปให้หมูให้เพื่อนบ้างส่งไปให้ใครตัวใครบ้างเราถ้าเราซื้อให้อีกก็คงจะไปส่งอีกก็คงไม่ไห ว, วแต่ตามไม่ริงได้เอ็มพีสามากก็เพื่อการศึกษาเพื่อการศึกษาให้ตัวเองศึกษาเปิดฟังธรรมเทศนาของหลวงตาด้วยของปูค่ครูบาอาจารย์ด้วย แต่ลำพังหลวงพ่ออบรมนี่ก็มันก็เหมือนกับได้ยินแต่หลวงพ่อพูดเป็นแนวความเห็นของหลวงพ่อแต่หลวงพ่อเองก็พยายามพูดให้ลากหลายที่ได้ยินได้ฟังที่ได้ประสบการมาอย่างไรก็พยายามพูดให้เป็นแนวความคิดแต่ถึงยังไงถ้าเราได้ฟังครูบาอาจารย์อีกเราก็จะมั่นใจขึ้นไปอีกว่า เออที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมีส่วนหรือถูกต้องหรือแนะนำสั่งสอนไปแนวแถวที่รวงปู่ลวงตาสอนจริงๆะอันนี้เราก็จะได้มั่นใจขึ้นจากนั้นก็ฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์เพราะ MP3 เรียกว่าเทพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง MP3 นะ่ะทุกวั น, นครูบาอาจารย์ท่านก็พยายาม ถ้าเป็นลูกศิษย์องค์ไหนท่านก็พยายามนำธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์ของท่านออกมาเผยแพ่ให้แก่ชุมชนหรืออันดับแรกทาจารก็พยายามเผยแพ่ในกลุ่มศิษย์ที่รักเคารพนับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านจากท่านท่านก็มันก็หลั่งไหลมาถึงพวกเราอีกเหมือนกันในแต่ละครูบาอาจารย์แต่แนวความคิด ของครูบาอาจารย์แต่ละองค์ก็เป็นแนวความคิดที่น่าศึกษาน่าศึกษาครูบาอาจารย์องค์นั้นท่านได้ปฏิบัติอย่างนั้นท่านได้รู้เห็นอัตธรรมอย่างนั้นท่านได้ต่อสู้กับความรู้สึกของท่านอย่างนั้นเพราะครูบาอาจารย์ทุกองค์ก่อนที่จะเป็นครูบาอาจารย์มาได้ไม่ใช่ว่านอนกินนอนสบายๆมาแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ไม่ใช่ ท่านต้องในฝ่าฟันอุปสรรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกทางด้านจิตใจของท่านตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญมากเราเห็นพระอยู่สบา ย, บายไม่มีอะไรเออพระเนี่ยสบายวะใช้ชีวิตแบบสบายวะในความรู้สึกของเราแต่ที่มาเผชิญเข้าจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะนชีวิตของพระเนี่ยมันเป็นชีวิตที่อดทนเป็นชีวิตที่แข่ง เป็นชีวิต ท, ที่นักสู้ถ้าจะว่าไปไม่มีนักสู้อะไรทิ่งยิ่งกว่าการนักสู้กับอารมณ์ทางด้านจิตใจของตนเอง เ, อเว้นเสียแต่ว่าบวชเข้ามาแล้วก็ปล่อยปะละเลยอยู่แบบสบายๆอยู่กินเป็นวันๆอันนั้นก็มีอยู่แต่ถ้าว่าผู้ใดบวชเข้ามาแล้วเพื่อสาะแสวงหาทางพ้นทุกข์ตามแนวแถวของพุทธะ พุทธศาสนาหรือตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมานั้นจะต้องแกล่งต้องสู้สู้อะไรถ้าเราได้ศึกษาเราเราจะรู้ได้ว่าสู้สู้อะไรถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วเราจะรู้ได้เราสู้กับอะไรถ้าว่าพวกที่ม่ได้ปฏิบัติคาว่าสู้คานี้คืออะไร ก็ไม่รู้จุดหมายปลายทางเหมือนกันไม่รู้จ ะ, จะสู้กับดินฟ้าอากาศอย่างไรไม่รู้จะสู้กับเมฆ ก, กับหมอกกับฟ้ากับฝนอย่างไรไม่รู้จะสู้ที่ไหนแต่ถ้าเราได้ศึกษาแนละ้วโอ้ความสู้กบว่าสู้คำนี้นหะคือจิตใจแนวความคิดของเราแต่ละวี่แต่ละวันแต่ละเวลามันคิดเรื่องอะไรใจของเราไ่คิดไปในทางไหนมันวันนไหวไกวแกลงเรื่องอะไร เวลาเราอยู่ตามลําพังเนี่ยมันเป็นยังไงมันคิดเรื่องอะไรในขณะนี้นี่แนหะพระพุทธเจ้ า, าท่านไปสู้อยู่ในป่ารวมพงไพรแต่ก่อนหน้านี้ท่านไม่ได้พูดท่านไม่ได้ตรัสแต่วันที่ท่านใจตรัสรู้น่ะเห็นหมข้านอเป็นพญามารเออมาสู้กับท่านมาแย่งบันลังท่าน แ, แย่งบันลังก็คืออะไรหรือท่านปวดแข้งปวดขาเนน่ะ เ, เหมือนกับ จะหยุดจะนอนหรือเปล่าเออจะหยุดหลุดออกไปจากที่นั่งหรือเปล่าออพอท่านนั่งอยู่เนี่ยเออมันปวดนะเนี่แหละพยามาณเลยท่านเออขันธมานกิเลสสมานมันมาแย่งบันลังของท่านเออผลที่สุดใจก็อ่อนละท่นี่เออทาไมเรามานั่งอยู่อย่างนี้เออมันได้อะไรนู่คืไปถึงเวียงถึงวงังมันเรื่องกิเลสตัณหาอะไรท่นี่เออ นางตันหานางราคานางอรดีอะไรสินีเอออันนั้นสนุกสะดวกสบายกว่าแต่พระองค์มุ่งหวังในธรรมตัเออข้าพระเจ้าตัดจิตจัดใจแล้วเมื่อออกจากเวียงวังมาแล้วว่าข้าพระเจ้าจะไม่หันหลังกลับแน่นอนเออเพราะว่าข้าพระเจ้ามีความมุ่งมั่นที่จะหาทางพ้นทุกข์อยู่แล้วไม่หันหลังกลับแน่นอนเออี่ยแต่บัดนี้ทําไมตั้งจิตอธิษฐานสำทับคือเออข้าพระเจ้าจะเป็นผู้ หวังโพธิญาณเท่านั้นจึงได้เอาชนะมันได้นางแม่ธรณีจึงได้บีบมวยผมคือเมตตาเนะี่อเอาชนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคือสัจจะอธิฐานในพระไตรของพระองค์นั่นแหละถ้าเราเปรียบเทียบเป็นธรรมมาธิฐานแล้วจะเป็นอย่างนั้นแต่ปุคลาธิฐานท่านพูดให้เป็นตัวเป็นตัวตนขึ้นมาแต่ที่ไหนได้มันอยู่ในจิตในใจของ ในพระไทยของพระองค์ทั้งนั้นหละไม่ใช่ว่าจะดือถือดาบถือหอกตีคองตีกองมาเข้ามาจากทางหน้าวัดของเราเราก็นุ่งผ้าจงกระเบนไปถือดาบไปสู้กับพยามารอย่างนั้นมันไม่ใช่เพราะมันอยู่ในจิตอยู่ในใจคำว่า พ, พยามารคำนี้นะมันอยู่ในใจอยู่ในพระไทยของพระองค์ พยาบาลคเนี่ยมันเห็นความในความรู้สึกของพระองค์ที่จะมาแย่งบันรังก็คืออะไรคือกิเลสความเจ็บปวดนะ่ะโอ้ยไม่ไหวละจะสู้หรือจะถอยจะสู้หรือจะถอ ย, จ ะ, ยจะนั่งจะนั่งสู้หรือเป็นออกนอนเสียทีกว่าไม่ใช่เหรอเนะี่ยนี่แหละมันสู้จุดนั้นแหละบอกคําคว่าสู้นะอสู้กิเลสภายในจิตใจของเราถ้าเราพยายามนั่งนิ่งดู อด้วยสัจจะอธิษฐานของเราจะไม่ลุกอจะไม่ลุกอเดินทำอะไรกํากหนดของเรานะเราจะนั่งกี่ชั่วโมงเราจะนั่งเงือกแตกเงือไหลอา้าวไม่เป็นไรเงือกแตกเงือไหลเราทําการทํางานเงือกแตกเงือไหลก็ไม่รู้เท่าไหร่ออกกําลังกายเงือกแตกเงือไหลก็ไม่รู้เท่าไหร่อย่างที่ลงุงตาทางด้านพูดถึงขี้ลึกจะเยี่ยวทะลักออกไปก็ไม่เป็นไรเอ สมัยเราเป็นเด็กพ่อแม่เรายังล้างให้เราได้แต่เมื่อที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราล้างเองก็ได้เราซักเองก็ได้เป็นไรไปสู้นะถ้าถึงขนาดนั้นนั่นแหละกิเลสสมานทั้งหลายแต่กระจุยกระจายหมดนะที่พระพุทธเจ้าท่านสู้สู้อารมณ์ของพระองค์เองสู้ในพระทัยของพระองค์เองเพราะนั้นการบวชเข้ามาเนี่ยวาเราต้องสู้อ ถ้าเราบวชเข้ามาไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนาเรื่องพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องภาคปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาแล้วเราจะไม่รู้จักวิธีการในการสู้กับกิเลสนะเพราะหลงสู้กับกิเลสนะเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสมากสำหรับพระนะแต่ก่อนเราเป็นครวสญาติโยมหรือเราทากิจการงานเราไม่ได้มาภาวนา กิเลสราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีมันก็มีอยู่แต่มันไม่หนักแน่นมันไม่เขม็งเกี่ยวแต่พอเขามาบวชเท่านั้นล่ะโอ้โหกิเลสราคะเนี่ยมนันมองอะไรมันเป็นเยสวรรค์วิมานไปหมดเอเป็นลูกเหมือนกับนางตันหาอาราคาะอรดีอมาไล่ลำตนหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยสิทธัตถะที่บำเพ็ญน่นนะเอ มาไล่ลํายลอย่างนั้นแะอันไหนอันไหนก็สวยงามไปหมดทีนี่น้าว่าเราไม่มีธรรมะในจิตใจมันก็ถลําไปทางหานางตัณหาราคาอารดีไปได้ง่ายง่ายแต่ถ้าว่ามีธรรมในใจแล้วถึงอย่างพระพุทธเจ้าท่านต้องสอู้ท่านผ่านมาแล้วมันเป็นยังไงถ้าว่าถลําไปนั้นท่านก็ต้องจมอยู่ในโลกอีก ถอนตัวไม่ขึ้นอีกเกิดมาพบหน้าชาติหน้ากัอยู่ในเป็นใต้ของกิเลสอีกอย่างเก่ากิเลสราคะโทสะโมหะครอบคับครอบคุมอยู่อย่างเก่าเพราะกิเลสราคะโทสะนี่เขาตีวงล้อมไว้แล้วถ้าเหมือนถ้าเปรียบเทียบกับทุกวันก็เหมือนกับคุกอ่ะที่คุกตารางนะที่พวกเราอยู่ในโลกทุกวันเหมือนกับเราอยู่ในคุ ก, คกอยู่ในตารางอย่างนั้นน่ะ ถึงจะยิ้มแย้มแจ่มใสกันนักโทษยิ้มแย้มแจ่มใสถึงจะสนุกสนานร้องลำมทำเพลงก่อ น, นักโทษร้องลำมทำเพลงอยู่ในคุกถึงจะกินอาหารอร่ อ, รอยขนาดไหนก็กินอาหารอยู่ในคุกคือไม่อิส ร, ระเพราะเหตุอะไรเพราะกิเลสเขา เ, เป็นเจ้าหัวอยู่แล้วควบคุม ตัวของเราอยู่แล้วใจของเราไม่ไม่อิจฉาจะทำยังไงก็เหมือนกับคนในคุกคนในคุกอยู่ในตารางฮนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วถึงจะสุขสุขยังไงก็สุขแบบคนในคุกถึงจะยิ้ยแย้มแกมใสหัวเราะต่อโมต่อเพื่อนก็เหมือนกับคนคุกอยู่ในคุกหัวเราะด้วยกันเย้มแย้มแกมใสใสด้วยกันร้องรำทําเพลงด้วยกัน คือคนในคุกมันไม่อิสระแต่เมื่อพระองค์ได้ตัดสรู้ธรรมได้สลัดสั่วโรชวโจรออกจากแข่งจากขาแล้วก็ออกกระโดดออกจากคุ ก, คกได้ตัดกิเลสออกจากพระไทยพระองค์ได้เป็นไทยเป็นอิสระคือออกนอกถึงจะไปที่ไหนๆก็คืออิสระทีน้ ถึงจะยิ้มแย้ม แ, มแจ่มใส ย, ยังไงก็อิสระไม่อยนอที่ควบคุมของไข่ไม่ได้เป็นที่ควบคุมของกิเลสราคะโทสะโมหะอีกแล้วเป็นไทยแล้วอิสระแล้วเป็นอมะตะท่านอมะตะธรรมแล้วแต่พวกเราท่านทั้งหลายเนี่ถึงค่สนุกสนานขนาดไหนก็เถอะเหมือนกับคนคุกมันนะก็อยู่ในกำกามือของกิเลส ราคะโทสะโมหะนั่นนะพอให้นาอให้พวกเราเห็นโทษนะพูดตรงนี้เท่นั้นคือชี้นำแล้วก็ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามาคิดมาพิจา ร, รณาไตรตรองด้วยเหตุและผลการบวชเข้ามานี้เราสู้กับอะไรเรามีจุดมุ่งหมายอะไรเราอย่าไปคิดเมือนเม่ก่อนเราก็คิดว่าการบวชเข้ามาจะมีความสุขวางวาดมนโนภาพ นอนสบายกินสบายอยู่สบายภาวานาไปเรืเเเอ่อยๆอหาทางพ้นทุกข์แต่ที่ไหนได้พอบวช้ามาแล้วกิเลสตัณณ์ก็มาหลุ่มถึงเข้ามากิเลสตัณณ์ก็ถึงเข้ามาไม่รู้ตัวไหนแต่ตัวไหนท่นานี่ยผลที่สุดก็ในกลุ่มในหมู่ในคณะเดียวกันพูดกันก็รู้สึกมันขวางหูขวา ง, วางตากันไปหมดเลยคนนั้นกับกิเลสคนนั้นกับกิเลสต่างคนกับต่าง อ, อ กักขังกิเลสของตัวเองไว้ในจิตในใจเอมัดค อ, อกิเลสมัดหมาไม้าไมีแต่หมาดุเท่านั้นพอปล่อยออกไปก็ไปกัดกันเท่านั้นหมาคนให้ไปกัดคนนั้นหมาคนนั้นไปกัดคนนี้ผลที่สุดก็เลยยุ่งเหยิงโอ้ยไม่นายอยู่ไม่นายอยู่ทั้งที่จะเข้ามาแล้วคิดว่าต่างคนก็ต่างเพื่อจะจัดการกิเลสภายในใจมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขที่ไหนได้พอเข้ามาแล้วมีตั้งแต่ เรื่องจุ่งเยิงวุ่นวายไม่ตะกัดกันนั่นเพราะเหตุไรเพราะทุกคนปล่อยจิตปล่อยใจออกไปข้างนอกปล่อยใจออกไปข้างนอกมันก็เลยกัดกันแต่ถ้าทุกคนดูอยู่ด้วยเหตุด้วยผลดูใจของตนเองการเคลื่อนไหวใจของเรามันไปยังไงในขณะนี้เดี๋ยวนี้ดูใจของเราอยู่ตลอดเวลานั่นแหละต่างคนก็ต่างรักษาใจของตนเองอย่าไปคิด ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องถึงจะคิดยังไงถึงใครจะทำยังไงก็จ้างอันนั้นเป็นเครื่องของเขาเราเนี่ยไม่คิดเนะี่ยเพราะเราได้ศึกษาเราเราได้เรียนรู้แล้วทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้ส่งใจออกไปข้างนอกไมใ่ให้มองคนในแง่ร้า ย, ายไม่ให้มองโลกในแง่ร้า ย, ายไม่ได้มองสรรพสัตว์ทั้งหลายในแง่แง่ร้า ย, ายมองสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นธรรมชาติ มองคนเป็นธรรมชาติมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติธรรมชาติเลยคือธรรมชาติมันเคยเป็นมาอย่างนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเราจะเข้าไปตกแต่งให้มันเหนือกว่านั้นไปอีกเราก็ทุกตายเลยเอเราก็เป็นทุกในจิตในใจของเราตลอดเวลาเพราะนั้นเราให้มองเป็นธรรมชาติโลกอันปปนี้เป็นอยู่อย่างนี้แต่เราจะถอนตนอย่างไรออกจากธรรมชาติ ไอ้ที่มันเป็นอยู่อย่างนี้ให้เป็นไทยให้เป็นอิสระให้พ้นทุกในวัตสงสารจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ร้านขอให้พวกเราทุกทกท่านนะฮะผู้ทั้งนี้ทั้งนั้นที่แก้วชีวิตของนักบวชชีวิตในการเป็นอยู่ของพระชีวิตของอพระอยู่ใน ว่าศาสนาเราต้องเพ่งมองดูบรอมครูของพวกเราที่ท่านไปอยู่ในป่าดงพงไพรถึงหกปีท่านได้สู้กับอะไรแต่ก่อนหน้านี้ท่านไม่ได้พูดแต่พูดวันเดือนหกเพนน์นั้นวันนั้นท่านจงแจ้งที่ท่านเอาชนะได้แต่ก่อนกิเลสเอาชนะท่านจนพอแรงแล้วท่านไม่พูดเมื่อท่านแพ้ท่านจะไม่พูดเหมือนกันท่านจะไม่ตรัสว่าอะไร พระพุทธเจ้าสีรัตทะท่านแพ้น่ท่านไม่พูดว่าอะไรแต่ท่านพูดเมื่อวันท่านเมื่อวันท่านชนะนะท่านชนะกิเลสพยามาณเสนามานเออเอาชนะวันนั้นได้ท่านก็เลยชวประเด็นว่าเราชนะด้วยวิธีอย่างไรแต่ก่อนหน้านั้นน่ยท่านก็คงจะตุปัตตุเปตุลักทุเลจนพลังเหมือนกับพวกเราเาท่านๆนี่แหละงาน่านอย่างนเพราะนั้นขอให้ ยึดแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ท่านเอาชนะท่านเอาชนะอย่างไรในวันนั้นน่ด้วยความตั้งจิตอธิษฐานมั่นคงของพระองค์แล้วอธิษฐานถึงบารมีของพระองค์นางแม่ธรณีจึงปิดมวยผมเป็นน้ําท่วมพยามาลเอาชนะไปหมดเลยน้ํพระไทยของพระองค์นั่นน้ําเย็นสู่ด้วยความเยือกเย็นเอาชนะด้วยความเยือกเย็น อาชนะด้วยความเป็นธรรมอัชนะด้วยความ เ, าเห็นรู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวางาวางาปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่น เ, เบื่อนายคลายจิตใจก็หลุดพ้นนี่แหละอันนี้ให้พวกเราคิดคิดดูนะคิดคิดคดูตามแนวแถวที่หลวงพ่อได้กล่าวแต่ก่อนหน้านี้พระพุทธเจ้าละสิทธัตถานท่านสู้มาถึงหกปี ที่ท่านชนะนี่คือวันเดือนหกเพนนะแต่วันเมื่อวันแพ้เนะี่ยพระองค์คงไม่พูดให้พวกเราฟังพระองค์แพ้อย่างไรนะแต่พระองค์ชนะนะพระองค์รู้เลยเลยว่าเอาชนะได้อย่างนี้นะเอารับพรนะนันโมธนาให้พร